มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปัญจมวัคพุทธะอัตินณติภาวะปัญหาที่หนึ่งถามว่า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 ถึงพระผู้เป็นเจ้าไม่เห็นอาจารย์ของพระผู้เป็นเจ้าก็จะเห็นถ้ากระนั้นก็ว่าเปล่าเปล่าจะว่าสมเด็จพระพุทธเจ้ามีอย่างไรพระนาคเกษ็ได้ฟังพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์เชนนี้จึงมีเถรวาจาาถามบ้างว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารบพิษได้ทัศนาการทอดพระเนตรเห็นโอหานาที